เจริญพรคุณอาจิตสวนิชวงนิชวงและคุณรัศนีตัวนิชวงเจ้าของสถานที่ญาติโยมทุกทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะได้ฟังธรรมะบางอย่าง ตอนกำมนี้คงจะเอาเบาๆไม่เอาหนักๆเห็นว่าจะปฏิบัติเข้มเข้มขนาดไหนหลวงพ่ อ, อยังไม่รู้เลยเข้มมันต้องภาวนาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวเดินเข้าห้องน้ำก็ภาวนาตานอาหารแต่ละรมก็ภาวนาเกี้ยวก็ภาวนากลืนก็ภาวนา นอนหายใจข้าวหายใจออกก็ภาวนาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนภาวนานั่นไงเขาเรียกว่าเข้มไม่ใช่เข้มไม่พูดกันแล้วก็คิดพอไม่พูดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดคปรุงแต่งไม่ใช่ว่าเข้มอย่างนั้นเข้มมันต้องปฏิบัติจริงจังไม่ต้องปฏิบัติให้คนเห็นปฏิบัติอยู่ภายในได้ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติอยู่ภายในเท่านั้น จึงชื่อว่าเข้มเอาทีนี้วันนี้เอาหัวข้อว่าความฝันที่เป็นจริงเพราะพูทธรรมะหนักๆนักท่านก็จะปร้อยหนักไปด้วยเพราะว่าังไม่รู้เรื่ององนเเอาเบาบก่อนความฝันที่เป็นจริงนี้เป็นอย่างไร เราต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าของเราเน่ตอนที่พระองค์จะลงมาจุดติณ่าพระนางมหามายาก็มีนิมิตฝันว่าช้างเปือกตัวหนึ่งลงมาจากเขาก็คือภูเขาวิมาลัยนั่นแหละ แล้วก็มาเวียนรอบพระนางสามรอบเวียนรอบเสร็จแล้วก็ข้าไปในประกันของพระนางนั่นคือความฝันที่เป็นจริงแล้วต่อมาพระราชบุตรก็เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราฝันไม่ดีจะเป็นยังไง ให้ความฝันมันมีหลายอย่างหนึ่งกรรมบันดาลถ้าพ่อแม่คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกรรมนั่นคือกรรมกรรมมาจากพ่อกรรมมาจากแม่ทีนี้พ่อแม่ที่คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเพราะกรรมคือจิตประกอบด้วยอาวิชา ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรนมันกรรมโง่ไปแก้กรรมโ ง, ง่โงอย่างนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาอาวิชชาคือตัวกูนั่นแหละอวิชชาจิตที่เป็นตัวกูนั่นนั่นคือตัวกรรมพอจิตประกอบด้วยอวิชชาหรือเรากล้าไปยึดมั่นถือจิตยึดมั่นถือมั่นจิตว่าเป็นตัวกู พอข้าไปยึดมัน่นถือมันจิตว่าเป็นตัวกูเกิดกรรมขึ้นมาแล้วเรียกว่ากรรมดำํานั่นคือกรรมดำําทีนี้เมื่อจิตประกอบโดยอวิชชาอวิชชาก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารแปลว่าการกระทําการกระทําทางกายเที่ว่ากายสังขารการกระทําทางวาจา หรือพูดทางวาจาจิาวะวะจีสังขารการคิดทางใจด้ว่วามะโนสังขารนั่นคือกรรมสามกรรมสามทีนี้เมื่อเวลาเราพูดเรื่องกรรมหรือเราข อ, อกรมมกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามนั่นเห็นไหมก็ หนักแน่วายแล้วแต่ตะลุเป้าจนได้แม่ชีอะไรไม่รู้เพี้ยนไปแก้กรรมทำแปลกๆไม่เป็นพุทธศาสนาสักนิดหนึ่งพระอยู่ยังไงในวัดนั้นทำไมไม่สอนมั่งไม่ชีเพียเพ้ยนเพี้ยนกายกรรมสามปานาธิบาตอาธินาทานกาเมจุมิจฉาจา การกระทำทางกายชอวกายกรรมการพูดทางวาจารีกว่าจีกรรมปานาธิบาตนาติ น, นาทานกาเมสุมิชฉาจาร น, นั้นทำทางกายเยวจีกรรมสี่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อสีนั้นสี่ กายกรรมสาวจิกรรมสมโนกรรมสามมโนกรรมก็คิดอะไรมโนกรรมก็คิดเรื่องไม่ดีในอีกคิดในการมุ่งร้ายในการเบียดเบียนเบียดเบียนเสร็จแล้ว ไ, ไปทําร้ายเขาเพื่ออะไรเขามโนกรรมสามคิดไม่ดี แล้วก็พูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีแล้วก็เรียกอะไรเนี่ยก็เรียกว่ากรรมนี่ก็เรียกว่ากรรมนี่กรรมทั้งสมอย่างนี้กรรมสมอย่างสาอย่างนี้เรียกว่ากรรมบันดาล น, นี่ใครมีลูกมีเตา้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพระจิตประกอบด้วยอาวิชชาใครมาเกิดที่นี่ มีผู้ที่มาเกิดหนึ่งเปรตเห็นไหมเปรตจะมาเกิดเปรตนี่ม่าอะไรเปรตนี่ปากเท่ารูเข็บท้องเท่าภูเขากินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มเปรตมาเกิดทีนี้พอเปรตมาเกิดพ่อแม่ก็ทำๆๆๆเมื่อก่อนยากจนพอเปรตมาเกิดร่ำรวย พอร่รวยก็ยังเป็นเปรตนั่นแหละเพราะอะไรไม่พอยังจนยังไม่พอไม่พอไม่พอไม่พอได้มาเท่าไหร่ไม่รู้จักพอสักทีหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเปรตเปรตประทองเต่าภูเขาปากเต่ารูเข็มได้มาเท่าไหร่ไม่รู้จักอิ่มสักทีน่ ง, ง, งไม่รู้จักพอสักทีหนึ่ง ไม่รู้จักให้คนอื่นสักทีหนึ่งไม่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศาสนาะไม่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์นั่นเห็นไหมเปรตมาเกิดถ้าอย่างนั้นเปรตมาเกิดอีนี้ประการที่สองนรกมาเกิดร้อนใจมีแต่ความร้อนใจร้อนใจร้อนใจพอเริ่มที่จะตั้งคันเท่านั้นมีความร้อนใจอย่างเดียว ตกนรกอย่างเดียวเหมือนกับว่าอยนรกที่มันมาเผาอยู่ที่จิตอย่างนั้นทีนี้มันมาร้อนใจการกระทำก็ร้อนใจการปุดกร้อนใจความคิดก็ร้อนใจร้อนไปหมดจะร้อนไปหมดยิ่งได้ลูกคนนั้นมาอีกเป็นอะไรทีนี้ลูกคนนั้นทาให้พ่อแม่ร้อนใจตลอดเวลา ตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่ก็ตกนรกมีแต่ตกนรกตกนรกตกนรกไม่ใจนรกอยู่ใต้ดินไม่ใจสวรรค์อยู่บนว้านรกอยู่ที่จิตที่ใจเปรตสุรกายเดรจานก็อยู่ที่จิตที่ใจทางนั้นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ว่าคนเมื่อก่อนก็ก็สมมติว่า นี่ถ้าใครร้อนใจก็เหมือนกับที่ฝาผนังโบสแล้วก็ตกนรกอย่างนั้นไฟเผาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ตามที่จริงมันเผาที่จิตเผาที่จิตที่ใจทั้งนั้นนี่ถ้าลูกคนไหนเกิดมาแล้วจับพ่อแม่ใส่ลงไปในกระทะทองแดงแม่คนนั้นก็ร้อนเร่าเๆ่าเราเราเราเ มีในความร้อนใจนั่นคือนรกมาเกิดนรกมาเกิดทีนี้ประการที่สามอาจุรกายอาจุรกายนี่แปลว่ากลัวกลัวกลัวไปหมดกลัวไปหมดอะไรก็กลัวหมดความมืดก็กลัวยิ่งคือก็กลัวมืดมือเทนต้นไม้ก็กลัว กลัวหมดนั่นเรียกว่ากลัวก็คืออจุรกายเมื่อรูปที่มีจิตวิญญาณของอจุรกายมาเกิดพ่อแม่ก็มีแต่ความกลัวกลัวกลัวกลัวกลัวว่าแก่แล้วไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้จะตายขึ้นมาอย่างนั้นเกิดมาเรืกลัวทางนั้นสารพัดกลัวนั่นคืออจุรกายลงมาเกิด เกิดตรงไหนเกิดที่จิตของพ่อแม่ก่อนแล้วมันก็ค่อยๆถ่ายทอดออกมาทางสายเลือดนี่ประการที่สี่เดรจานเดรจานลงมาเกิดเดรจานนี่มันสี่การจัดสี่กาแต่เดรจานนี่มันโง่มันโง่ทีนี้ลูกที่เกิดมามันโง่เพราะอะไร เพราะพ่อมันก็โง่แม่มันก็โง่แล้วลูกมันจะฉลาดได้ยังไงสายเลือดที่มันถ่ายทอดออกมาก็เลยเป็นคนโง่ทำอะไรโง่โง่คิดอะไรโง่โงพูดอะไรโง่โงมีแต่ความโง่นี่คือสิ่งที่ไม่ดีลงในกันลงมาจุดติที่ในกัน เอาทีนี้พระนางที่เป็นมาเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพอเกิดจะตั้งกันขึ้นมาฝันไม่ดีแล้วฝันมาดีวพอตั้งครนโอ้มันอยากอยากเลือดอยากกินเลือดอยากกินเลือดอยากกินเลือดอะไรเนี่ยก็เลย กราบุนพระเจ้าบิมพิสารว่าอยากจะกินเลือดสเสด็จพี่เลือกเกินพระเจ้าบิมพิสารก็รักเมียมากก็เลยกรีดแขนนี่ให้เมียดูดเลยให้เมียดูดเลือดเลยเป็นยังไงทีนี้หมอโหนก็ทํานายว่าลูกที่เกิดมานะมันจะกล้าพ่อโอ้ยตก ใหญ่ๆที่นี้ตกใจขึ้นไปทางขึ้นภูขเขากิจกูดเมื่อก่อนนะ่ะไม่มีพยาบาลไม่มีหมอทำหมันก็เลยขึ้นไปก็เอาก้อนหินมาตุ๊บๆุตุ๊บุุท้องของตัวเองไอ้ลูกคนนี้มันตายแล้วก็มันเรียกว่าไอ้มันตกตายไปเลยก็เวรมันยังไม่หมดมันก็ไม่ตาย ทำยังไงมันก็ไม่ตายไม่ตายทีนี้คลอดออกมาก็าคลอดออกมาก็ชื่ออะไรชื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูอาชาติศัตรูก็คือไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูภายนอกแลว้วแต่ว่ามีศัตรูกับพ่อแม่มีศัตรูกับพ่อแม่เป็นยังไงทีนี้เมื่อมีศัตรูกับพ่อแม่จนโตจนโตเป็นหนุ่มแล้ว โตัวเป็นน่มตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่ภูเขาคิตจกูดไอนี้เมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิตจกูดพระเทวทัตก็คิดว่าอย่าอยู่ร่วมกันเลยไปเอือกภูเขาหนึ่งดีกว่ามันจะได้เงียบสงบดีทีนี้พระเทวทัตก็ทำทำอะไรทำสมาธิทำสมาธิสสาธจนเป็นฌาน เป็นจานเสร็จแล้วก็ได้อาภิญญาได้ภิญญากรโหได้ที่นี้ห่อได้ห่อได้อาภิญญานี่จะห่อได้แล้วก็จะเห็นอนาคตเป็นยังไงน้ําตุวมเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างน้ำอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเข้าไปยึดมัน่นถือมันเพราะว่ามันออกมาดับทุกข์ไม่ได้ออกมาดับทุกข์ไม่ได้ ไปรู้ชาติก่อนเป็นอะไรชาติก่อนเคยเกิดเป็นหมาเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นหมูเป็นอะไรก็ช่างวัวมันทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ชาตินี้ ي, เดี๋ยวนี้ที่เราต้องทําให้ดีที่สุดที่ชาติหน้าชาติหน้ามันมีไม่ใช่ไม่มีเราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะแล้วเราทําชาตินี้เดี๋ยวนี้ให้ดีที่สุด มันก็ไม่มีปัญหาในอย่างนั้นที่นี่เป็นยังไงเจ็ดแล้วพระเจ้าเจ้าจตรูรูปของพระเจ้าพิมพิสารไปกบกับพระเทวทัตพระเทวทัตได้อภิญญาเมื่อได้อภิญญาห่อได้ห่อได้ที่นี่ธรรมริตอนนี้ธรรมรทธธรรมฤิทธยังไงก็คือภาพหลอนทางนั้นธรรมรทธ ทำเลสก็เอากีวอนเอาสบงจีบเป็นชิ้นๆเอามาปลูกที่ข้อมือสองข้างเอาปลูกที่เท้าสองข้างแล้วก็ปลูกที่ศีรษะห่อไปไปถึงแล้วก็อ า, วกอาทิตฐานาจิตวไหวเศรษฐีวอนนี้แหละเป็นงูก็เลยห่อ ออกไปถึงก็ลงต่อหน้าพระเจ้าชาติสตรูพอลงต่อหน้าพระเจ้าอาชาตาชาตตรูพระเจ้าอาชตาติสตรูก็ตกใจทีนี้พอตกใจก็คลายฤทธิ์เป็นจีวรหมดก็บอกว่าอไม่ต้องตกใจหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอาชาติตรูก็ เคารพนับถือพระเทวทัตมากพระเทวทัตต้องการที่จะแยกพวกเดี่ทีนี้ต้องการแยกพวกมีพระบวชใหม่อ0รรูปกับพระพุทธญายก็เลยไปแสดงฤทธิ์ได้ออกมาเป็นลูกน้องของตัวเองหมดเป็นยังไงทีนี้ สอนในเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะพระเทวทัตนี่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันตั้งแต่น้องอ้วนชาติไหนชาติไหนมันพอมาชาตินี้ตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละไม่กินเหลี่ยมกันพูดง่ายๆเรียกว่าไม่กินเหลี่ยมกันทีนี้เป็นอย่างไงพระพุทธเจ้าโดยตามพระจารีบุตรพระมกขกันหลาน พระบวชใหม่ไปไหนหมดเพราะว่าเทวทัตโน้อมน้าวไปหมดแล้วพระเจ้าค่ะเรื่ออรสายลิบุญเธอไปจัดการให้ไปบอกความจรงิงแง่ก็กลับมานี้ท น, นี้เป็นยังไงพระเหล่านั้นก็รู้ความจรงิงเพราะพระบวชใหม่นี้นไม่รู้เรื่องมันก็เลยกลับมาแง่ตอนที่พระอาราอยรูปนั้นโยนั่นแหละ พระเจ้าศัตรูขกายกปิน่นโตเช้าหนึ่งห้าร้อยแถวห้าร้อยแถวห้าร้อยแถเรียกว่าบำรุงกันเต็มที่เต็มทีท่ต้องการอะไราได้หมดงานาหนเอาทีนี้พระพุทธเจ้าลองไปบินตาบัเพราะมปิตรูตรงที่ยังเหลืออยู่เอา ปายุแหย่อีกพระเทวทัตปายุแหย่ให้พระเจ้าชาติรูปล่อยช้างนารากิรีที่กําลังตกมันให้มาทําร้ายพระพุทธเจ้าทีนี้พระก็ะจะเดินเป็นแถวเมื่อก่อนน่ะเดี๋ยวนี้แตกแถวเมื่อก่อนน่ะเดินเป็นแถวพระพุทธเจ้าก็เดินหน้าเมื่อพระองค์เดินหน้าพระอนุนตามหลังพระองค์ ช้างที่กําลังตกมันกเปร้นออกมาเลยพระนนานนท์กราบทูลว่าให้ข้าพระองค์เดินหน้าหรือไปเจ้ากะช้างจะได้แต่แห่งข้าพระองค์อ๋ อ, อไม่ได้ไม่ได้อานอนท์ไม่ได้พอเปร้นมาถึงก็อนอางาปักชิกลงไปที่ดินที่ตรงนั้นแต่ามาเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่ครั้งหนึ่งแล้ว เอาไม่ได้พระเทววัตต์กดออกนโยบายหม่อญยีบอกวันนี้เอาใหม่เอานางกนายกมังทนูนายกหมังทนูเอานายกมังทะนูห้าร้อยคนรอดพระห้าร้อยรูปถวายไม่ต้องมากรูปหนึ่งดอกหนึ่งดอกพอขอพระพุทธเจ้าลงไป พระเจ้าวก็เดินตามเป็นแถวพอไปถึงนางนายกำหมังทนูก็นับหนึ่งสองสามกันแล้วเราะก็ ข, ข, ข่าวแถวเหมือนกันหนึ่งสองสามอ่ายิงไม่ไปเป็นยังไงลูกศอนไม่ไปงา้างลูกศรนไอ้ขาหน้าก็ยกขึ้นยกอยู่อย่างนั้นแล้ลูกศอนก็อยู่อย่างนั้น อยู่อย่างนั้นเห็นไหมนี่ไปทํากับพระพุทธเจ้าไปทํากับพระพุทธเจ้าเอามันไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วคิดวิธีโน้นก็ไม่ได้วิธีนี้ก็ไม่ได้ทีนี้พอไปโน้มนาวพระห้าร้อยรูปมาอยู่ก็ไม่ได้พระสารีบุตรก็พากลับไปหมดพอพากลับไปหมดที่นี่เป็นยังไง เอาวิธีใหม่พรุ่งนี้จะ ก, กลิ้งหินรอดที่พระพุทธเจ้าอยู่อยู่อย่างนี้และที่พระเทวทัตอยู่อยู่ภกเขาตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนั้นมันเป็นป่าละเมะมันจะไม่เห็นหรอกนี่พระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็สเสด็จไปบินาบาตตามเดิมเมื่อไปบินดาบาตามเดิมพระเทวทัตก็ลงมาโน้มนาว น้อมนาวเสร็จแล้วก็้อนหินทีนี่กลิ้งก้อนหินขอพระพุทธเจ้าดำเนินมาเนี่ยก้อนหินนี่ผลักลงไปเลยพรักลงไปถึงก้อนหินก็กลิ้งกรุกนน ก, กรุกกรุกกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กกรกกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กกรกกรกกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กกกร พระพุทธเจ้าถ้าไม่เลือดไหลทําให้เลือดไห ล, ท, ห ล, หลทีนี้ร้อนถึงหมอจีวกหมอจีวกพอรู้ข่าวพระพุทธเจ้าโดนทําร้ายแค่นั้นเองก็เลยไปช่วยทาแผลให้พระพุทธเจ้าการทราแผลพระพุทธเจ้าคือใส่ยาไอ้พวกสมุนไพรนี่แหละใส่ยาเสร็จแล้วก็จะต้องเอาป้าปันแผล ทีนี้จะอยู่ได้จนกระทั้งค่ำแต่เลยค่ำไปแล้วไม่ได้จะปวดมากเกนี้หมอชีวกก็ลืมลืมไปหอลืมไปจนเจ้าคิดได้รีบขึ้นไปเลยทีนี้ก็ตูนถามว่าพระพระองค์ปวดมากไหมเมื่อคืนมั้งเราไม่ได้ปวด ไม่ได้ปวดตามปกติมันต้องปวดแต่พระองค์บอกว่าไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดนเอาทีนี้ <c oughs> ข้าเจ้าตรูก็ยังโดนยุแยย่อยู่เรื่อยๆยุ่ยเย่อยู่เรื่อยๆก็ เ, เ, เลยพระเทวทัดลงไปน้อมหน้าอีกบอกว่านี่ พระเจ้ชาชาติตรูราชบุตรถ้าราชบุตรไม่ฆ่าพ่อไม่มีทางที่จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรอกในชาตินี้ต้องฆ่าพ่อต้องฆ่าพ่อเสียแล้วได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเองเกนี่ขอพ่อยตรงนี้มันล้ำหน้าไปหน่อยหนึ่งหรือเราก็จะฆ่าพระพุทธเจ้า แน่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองก็เลยนั้นในกลิ้งหินไปกลิ้งหินไปกลิ้งหินทีนี้ก็พระพุทธเจ้าพระองค์บาดเจ็บทีนี้พระเจ้าชาติตรูเดินยุโดนยุแเย่โดนยุแเย่อย่างนั้นเชื่อหมดเชื่อเชื่อพระเทวทัตหมดเนี่พอเชื่อพระเทวทัตออกจับพระเจ้าพินพิสาร อย่าอไปไหนกังกุ๊กเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่กุกพระเจ้าพิมพิสารอยู่ที่อยู่ที่เชิงเขาคิดจะกดูดอยู่ที่เชิงเขานั้นเอาไปกังพอไปกังแล้วเป็นยังไงเ็าไปกังแล้ ว, ยงง อ, ลวอยากกังให้ตายแต่ไม่ตายก็เลยถามพวกมาดเล็กว่าเป็นยังไงเจเดตพ่อไม่เป็นอะไรท่านยังสบายดีอยู่ ยังสบายดีอยู่แต่ท่านก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนี่คือเดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วก็สายตาก็สอดไปนู้นกุฏิของพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่ภูเขาคิดจกุฏก็ตรงนั้นมันมองเห็นเห็นี่พวกมหาเล็ก ก็ เ, เลยกราบดูลพระเจ้าตรูพระเจ้าอาชาตรูว่ายังมียังพระชนยังสบายดีอยู่พระเจ้ากังหรือทำยังไงให้อดอาหารดีกว่าทีนี้พระนางที่เป็นมาเหสีนั่นแหละเอาอาหารกาไปถวายทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันถ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงบอกว่าพระนางเอาอาหาร ไปให้เสวยพระเจ้ากาโอ้ยาให้ออกไปคือทรมานให้ตายเลยยาให้ออกไปให้เยี่ยมได้ให้อ้ามเอาอาหารไปฝากนางก็เลยเอาพระกระยาหารน่งใส่ก้าไปที่ส้นรองเท้าไปถึงก็ให้พระองค์เสวยเสวยที่นี้จับได้อีกพวกในคุกนั่นจับได้อีก พอจับได้อีกทีนี้ก็ตูนพระเจ้าเ จ, จ้าตรรูที่เป็นลูกชายพระเจ้าเ จ, จ้าตรรูว่าอย่างนั้นอ้าแม่เสด็จแม่ใส่รองเท้าไปอไม่ใส่รองเท้าพอไม่ใส่รองเท้าทีา่ทำยังไงคิดต่อไปอีกใส่ในมวยผมเอาอาหารนั่นแหละห่อเรียบร้อยพระคนอินเดียนะเขาทํามวยผมโ ต, โต ในในมวยผมก็จับได้อีกจับได้อีกก็ทีนี่ห้ามห้าไม่ให้กล้าวผมเป็นมวยให้ปล่อยเฟื้ยลงไปเลยเอาไม่ได้รับไปไม่ได้เสวยอีกทํำไงดีนี้เอาใหม่ใส่เสื้อเก็บยาวถึงนี้แล้วก็ตทำข้าวต้มให้เละเละเลเละแล้วเละอีก แล้วเอาข้าวต้มนั้นมาทาตัวทาแขนออไปถึงก็ถอดเสื้อแล้วให้พระเจ้าปิมพิสารเลียเลียเลียเลี ย, ยน้ำข้าวอ้าวเป็นยังไงถามหาเล็กอีกมาเล็กก็กราบตรงว่ายังมีพระชนอยู่พระเจ้าข้ามีพระชนอยู่ยังไงอ้าว พระนางไม่้สนะีเอาข้าวต้มไปทาที่พระวรกายใ ห, ให้พระเจ้าพิมีสารท่านเลียด้วยพระชิวหาอ๋ออย่างนั้นห้ามข้าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามข้าวห้ามข้าวเลยไม่ต้องได้เสวยอาหารกันอ๋อไม่เสวยอาหารทีนี้ เดินจงกรมดีกว่าเหม็มเราต้องคิดเรื่องเดินจงกรมไม่มากมากเดินจงกรมนี่จิตหนักแน่นดีแล้วมันก็ไม่ง่วงนอนด้วยแล้วเกิดธรรมะได้หนักแน่นมากชัดเจนมากนี่พระเจ้าพิมพิสารก็เดินจงกรมเดินจงกรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธเพราะจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่ แลก็เดินจงกรมพุทโตพุทโตุทธโตเอา้าถามหาเล็กอีกเป็นยังไงถ้าเด็จพ่อสิ้นชีวิตแล้วยังยังไม่สิ้นพระเจ้ากาอาหารก็ไม่ได้สวยแลวอยู่ยังไงเดินจงกรมอยู่พระเจ้ากาเอา้าเดิไม่ต้องไ้เดินเอาอย่างนี้กดหลุมกดหลุมที่พื้นดินน่ะให้ลึกประมาณสัก เม็ดกว่ากว่าแล้วเอาฟืนเอ า, ฟ, เ า, เอาฟืนใส่ก็ไปเอาฟืนใส่ก็ไปก่อให้ไฟนั้นเป็นฐานเปลืองแล้ว จ, จับสเสด็จพ่อมาจับสเสด็จพ่อมาแล้วก็เฉือนเฉือนขวานท้ า, เ, าเอามีดโกนเฉือนขวาต้าเฉือนขวานท้าว เ, เอาหนังที่มันหนาหนาออก พอหนังหนาๆออกก็กรีดกรีดกรีดกรีดกรีดเอาเกลือทาเอาน้าเกลือเนี่ยเอาเกลือแล้วหลยน้ำแล้วก็ลดลงไปทาหรือว่าลดลงไปเอน้ำเกลือลดลงไปแล้วก็จับไปเอาเท้าแย่ลงไปที่กองเปลืองนั่นแหละที่หลุมตานเปลืองนั่นแหละก็เลยมาเล็กก็จำเป็นที่จะต้องทำ ไม่ทำไม่ได้ตายไม่ทำไม่ได้ต้องตายต้องตายทีนี้เป็นยังไงพระองค์กดทนไม่ได้สิ้นพระชนทันทีพอสิ้นพระชนทันทีในขณะนั้นเองมาดเล็กวายหนึง่งเพราะพระเจ้าเจ้าศัตรูก็มีพระจายาพระจ า, าของพระเจ้าเจ้าศัตรูก็ครอดในเวลานั้นเองพระเจ้าพิมพิสารก็ สวันคตในเวลานั้นเองสองพวกไปกราบทูลพระเจ้าเา้าศัตรูเมื่อไปกราบทูลพระเจ้าชาติศัตรูไปเจอะเอกันที่หน้าพระราชวังะ ก, ก็แกมาทําไมออกมาเรื่องพระเจ้าพิมพิสารรงสิ้นชีวิตแล้วและพวกท่านอมาทําไมพวกเรามาเพราะจะมากราบทูลว่าพระเจ้าชาติศัตรู ได้พระราช บ, บุตรแล้วนี่แล้วเราจะทํำยังไงใครก้าวก่อนเนี่ยธรรมดาเกิดมันต้องก่อนตายมันทีหลังเกิดก้าวก่อนเถอะก็เลยให้พวกที่มาเรื่องเกิดที่ได้พระราช บ, บุตรนั่นแหละขึ้นไปก่อนเอาขึ้นไปถึงก็กราบทูลพวกท่านมาทำไมพระองค์ได้พระราช บ, บุตรแล้วพระเจ้าก้า ได้ยินคำเดียวแค่นั้นเองความรักมันท่วมต้นขึ้นมาเต้าภูเขาเลยโอ้คิดว่ า, าเสด็จพ่อของเราคงจะรักเราอย่างนี้เหมือนกันออกมาเด็กมาเด็กมาเร็วเร็วเร็วไปปล่อยเสด็จพ่ออ้วกนั้นก็ก้าวมามาถึงมันเสียเสียเวลาแล้วพระเจ้าข้ามันไม่ทันแล้ว พระรงสาวนนกตแล่พระเจ้าข่านี่เห็นไหมบุตรอะไรเนี่ยเอาดูดินี่บุตรอะไรนี่แหละเรียกว่าอาวัจจะบุตรบุตร ท, ที่ชั่วกว่าพ่อชั่วกว่าแม่ชั่วกว่าอะไรทั้งหมดชั่วกว่าสัตยราชาติเสียอีกนี่อเรื่องของบุตรเรื่องของบุตร อภิชาตบุตรบุตรที่เก่งกว่าพ่อแม่อนุชาตบุตรบุตรที่รองลงไปอวชาตบุตรบุตรชั่วบุตรชั่วใครมาเกิดอาบุตรชั่วใครมาเกิดเปรตอจุรกายนารกเดรฉ า, านมาเกิดเห็นไหมเห็นเนี่ยปีนี้พระเจ้าศัตรูก่อ ไม่มีกําลังใจเลยทีนี่ไม่มีกําลังใจเลยเพราะไม่มีกาลังใจเลยทำยังไงปรึกษากระหมาดเล็กหาดเล็กก็ขึ้นไปคว้าพระพุทธเจ้ากันเถอะไปกันกลางดึกกลางดื่นเพราะกลางวันก่าราชการเองก็ไม่มีเวลาร้องพ่ออยู่ที่ปัตตลุงนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด ัวหน้าสำนักงานบ้างอายการบ้างอะไรบ้าง6โมง 20-30 คนก็ขึ้นไปที่หลวงพอ่อเสร็จแล้วก็ให้ทำวัดเย็นนั่งสมาธิหลวงพ่อก็พูดให้ควง1ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ให้เดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จมาขวดน้ำ ทีตุ้มพอดีให้กลับนี่ทำอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเขาสนใจในการปฏิบัติธรรมเขาเลยขึ้นไปหาหลวงพ่อเขาไปหาพระหาไม่ได้ได้แต่พระเศ็ดดินเจ็ดหิน เจกเล็กแต่พระเศกคนไม่มีหลวงพ่อเป็นพระเศกคนหลวงพ่อพูดอะไรตรงไปตรงมาใครไม่พอใจก็ไปเลยไม่มีปัญหาสำหรับหลวงพอ่อไม่ใช่มาที่นี้ให้ก้อยะหวายเงินมากมากไม่ตวายก็อย่าตวายที่ไม่ถวายก็ไม่เอาที่แต่เอาก็เอาไปไหนเอาไปช่วยเหลือคนอื่นอีก หลวงพ่อไม่เคยเยแสได้เงินมาหลวงพ่อก็ไปก้าวธนาคารพอก้าวธนาคารเสร็จแล้ววันเกิดหลวงพ่อวันที่สิบามที่ผ่านมานี่ฤกษ จ, จิกาหลวงพ่อก็ทาบุญให้ตุนการศึกษาช่วยซื้อเครื่องหายใจเตียงสาหรับนวดอะไรต่ออะไรหลวงพ่อใช้เงินไปล้านกว่านั่นคือเงินที่หลวงพ่อได้ ไปจากกรุงเทพบ้างจากเชียงใหม่บ้างจากที่ไหนที่ไหนบ้างทีนี้ที่จังหวัดพัตลุนก็ก็เลยนิมนต์กันไม่ได้หยุดเพราะว่าทางการราชการหลวงพ่อก็ต้องไปอบรมเองที่ศาลากลางขึ้นศาลากลางยี่สห้าครั้งค ร, รั้งละสองร้อยสอง้ยสองร้อยการราชการนี่ก็นนิมนต์มาเป็นหางอีก พ, พ่อเดียวก่อนปิดเติมก่อนพัทลุงหลวงพ่อมาเชียงใหม่ก่อนมาเชียงใหม่ก่อนพระเชียงใหม่ทั้งสี่งานสี่งานอย่างที่ปันดาวนี่ก็ต้องสามวันหลวงพ่อทางโน้นปิดเติมก่อนเติมมาไหวแล้วกลับไปก็ไปว่ากันใหม่ให้คนอื่นเขามั่งนี่หลวงพ่อไม่ใช่พระอยากเงินหลวงพ่อไม่ใจพระโลภ บอกให้รู้บอกให้รู้หลวงพ่อจะไปที่โรงพิมพอรินน่นไปสอนธรรมะเขาตอนที่น้ำท่วมสามวันสอนทีสามวันสอนทีสามวันสอนทีนน ท, ทางโทรศัพท์แล้วก็บอกเขว่านี่ไอ้ข้าสอนทำไมต้องคิดหรอกไม่เอา น, นี่สั่งไวัว่าเวลาหลวงพ่อไปนะอย่าตหวายเงิน อยาถาวายเงินหลวงพ่อเขาจนะถวายตามที่จริงเราไม่อยากได้ไม่อยากได้ทีนี้อย่างครั้งที่แล้วที่มาที่แม่โจ้ก็สั่งคุณหมอดุลยาเนี่ยเอาค่าตัวแพงหน่อยนะขอจะก็หนึ่งแสนค่าตัวเอาไปไหนหนึ่งแสอ้ะให้ทุนการศึกษา เด็ดที่เรียนแพทย์ที่มอชอนี่ให้ไปคนละหมื่นละหมื่นละหมื่นละหมื่นอ้าวเสร็จแล้วเมื่อวานไปที่มอชอลือกมาใหม่สะสีคนพวกเดิมนั่นแหละแต่ว่าคัดตอนนี้คัดคัดที่มันลำบากหน่อ ย, อออยก็ให้ไปคนละสาม0ันสามพันมันนี่หลวงป้อจึงบอกว่าหลวงป้อไม่ใช่ประยักเงิน ม่ใจพระหิวเงินแต่พระอยากเงินพระนั้นก็เป็นพระเปรต ด, ดีเพราะมันหิวนี่หลวงพ่อไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการไม่ต้องการทีนี้ถ้าได้มาก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นผู้สูงอายุของหลวงพ่อนี่สามพันผู้สูงอายุหลวงพ่อก็ต้องเสียกันเอาคนที่ยากจนที่สุดสามสบ สาิคนก็แจกง่ายคนละสามร้อยสาร้อยสามรอต่อเดือนเดือนละเก้าพันญาติโยม่างกรุงเทพเขาก็ช่วยกันก็ช่วยกันเนี่ยหลวงพ่อมีแต่ทำทำทำทำทำกลายเป็นพระธรรมไปตอนนี้ตรรเป็นพระธรรมอนี่เรื่องนี้เลยเรียกว่าลูกที่ไม่ดีนะที่เรียกว่าไอ้ฝันไม่ดีนะ มันมาบอกแล้วลูกนั้นเป็นเปรตก็ได้เป็นอจุรกายก็ได้เป็นสัตยรชาญก็ได้แล้วก็ทําให้พ่อแม่ตกนรกก็ได้ได้หมด <c oughs> นั่นคือลูกที่เป็นอวัจฉตบุตรเขาเรียกว่าลูกที่เป็นอวัจฉตบุตรเอ็นิตาลูกที่ดีเรียกว่าอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรคือลูกที่เด่นเด่นกว่าพ่อเด่นกว่าแม่ เด่นกว่าอันี้ไอเด่นกว่าต่างโลกนะมันมีเยอะแยะแหละแต่เด่นต่างธรรมนี่มันไม่ค่อยมีปาลูกกข้ามาวัดมันก็ไม่อยากที่จะเข้ามามันความไม่รู้เรื่องมันกวางไม่รู้เรื่องเพราะพ่อแม่ไม่ได้สอนมาตั้งแต่ติดเด็ ก, ดกไม่เคยพาเข้าวัดเข้า ว, วา่าไม่เคยรู้อรังสำ ม, มาติมุทโธนันอะไรนี่เลยเรียกว่าลกูกที ไม่เอาเรื่องมันก็เลยติดยากันเป็นแถวเห็นไหมเรื่องนิมิตต่างๆนิมิตต่อไปเรียกว่าเทพนิมิตไอ้ที่พูดมานี่คือกรรมนิมิตกรรมนิมิตหรือกรรมบรรดาลที่ถ่าเทพบรรดาลถ้าเทพบรรดาลเราก็ได้ลูกดีมาดิพระเทพก็บรรดาลน่ยเทพบรรดาลน่อย เอต้าเทพบรรดาลก็ดีที่เอต้านอกจากเทพบรรดาลแล้วพรหมบรรดาลยิ่งดีใหญ่เลยเพราะพรหมอใหญ่กว่าเทพใหญ่กว่าเทพอีกเอาทีนี้ตากว่ า, วาธรรมบรรดาเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยนี่ยิ่งดีใหญ่ทำธรรมบรรดานเพราะฉะนั้นใครที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องการที่จะมีลูกต้องคิดดีพูดดีทำดี ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างน้อยที่สุดมีศีหนามีสีน า, นาเอาทีนี้ต่อจากพระพุทธเจ้าหน่อยต่อจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูดเดือดร้อนเป็นการหนักแล้วจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด แต่พระองค์ยังอยู่อย่างนั้นทีนี้อาณาดาบินดิกาเศรษฐีอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอินเดียอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอินเดียเมื่อก่อนก็อยู่ที่สาวัตถีนั่นแหละพอรู้เรื่องนี้ก็โดยไปขอนิมนต์พระพุทธเจ้าว่าในรรษานี้ขอพระองค์ไปจําำภรษาที่สาวัตถีเติดพระเจ้าค่ะ นางวิสาขาก็ตอนนั้นคือก็ขอก็ ข, ขอไปเมืองสาวัตถีมันเป็นเมืองจนๆเงินมันไม่หมนุนก็เลยขอได้พระานาถาบินิกาศเศรษฐีกับนางวิสาขาไปเงินมันก็หมุนดีทีนี้ก็หมุนดีทีนี้อนาถาบินิกาศเศรษฐีจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า ไปถึงก็ติดต่อสถานที่ติดต่อสถานที่ประมาณห้ารยไร่สถานที่ที่อาที่ที่ ท, ท, ที่ตรงนั้น่ะที่วัดเจตวันวัดเจตวันวว น, นี่เป็นยังไงชื่อที่เจ้าของชื่อว่าเชตเจ้าของชื่อเชตชื่อเชตทนี้ก็เอาแผลแผ่นทองกันเลย เอาทองนี่แผลแผนบางบางบางบางบางปูไปตามพื้นดินนั่นแหละปูไปตามพื้นดินถ้าทองนี้แผลไปถึงไหนก็ได้เต่านั้นได้เต่านั้นตกลงว่าอนาตาบินิกาเสษฐีเสียค่าทองไปแปดเต่าไหรแปดรยโกด800ยโกด800โกดที่นี้ สร้างอีกสร้างวัดอีกสร้างวัดอีกแปดร้อยโคตอีกทาการฉลองอีกแปดร้อยโกตอีกยีบสี่โกดทั้งหมดยีบสี่โกตทีนี้จะตั้งชื่อวัดแหละจะตั้งชื่อวัดตั้งชื่อวัดเป็นเจ้าของเดิมอหละนายเชษ์นายเชษ์นะชต้องตั้งชื่อเราถ้าไม่ตั้งชื่อเราเราจะค้าน เราจะไม่ให้แขกนี่เห็นไหมสันดานแขกเชื่อไม่ได้แขกลงพ่อไปครั้งที่หนึ่งแลครั้งที่สองตอนนั้นพอจะกลับมานั่งที่สนามบินออออนิมนี่ม น, นม น, น, มนผมก็เคยไปประเทศไทยอยอมีกี่รูปทั้งหมดกี่รูปออเจ็ดรูปอ๋อถวายถวายถวายถวายอะไรถวายชารรนถวาย เพราะตะวันเสร็จล้วที่ไหนได้น่มันมาเอาเงินนี่แขกไอ้แขกเห็นยว่าไอ้แขก อ, อย่าไปเชื่อใจมันเด็ดขาดแขกเนี่ยเลี่ยมมากจีนยังทูวมันไม่ได้เลยแขกเนี่ยมันเหลี่ยมมากนี่แหละคือแขกทีนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องชื่อว่าอนาถาบินิกาทวัดนั้นต้องชื่อว่าวัดเจตวัน คือเจ้าเชตวัดเจ้าเชษอีนี้ก่อนิมนต์พระพุทธเจ้ามาประทับที่นั้นก่พระพุทธเจ้ามาประทับที่นั้นเป็นยังไงคือตอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูดเขาก็วางพระคือเอาพอ ข, ขึ้นต่างขึ้นมันขึ้นทางเดียวขึ้นได้ต่างเดียว เอาขึ้นได้ทางเดียววางพระเอาตรงนี้รูปหนึ่งตรงนั้นรูปหนึ่งตรงโน้นรูปหนึ่งกลัวว่าเทวทัตมันจะบุกมาเล่นเล่นงานพระพุทธเจ้าก็เลยวางพระเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแต่ว่าเขาเขไม่ได้เขียนไว้ในประวัติหรอกเพราหลวงพ่อไปพลพ่อไปถึงเห็นไอ้ทำไมไอ้พระมากกว่าเอาอีทำไมไพระอนอนท์ก็อยู่ใกล้ใกล้พระพุทธเจ้าพระสาดีบุตร ก็อยู่ต่าลงมาอีกต่าลงมาอีกต่าลงมาอีกฝ้าพระพุทธเจ้าว่าว่าอย่างนั้นเทวทัตจนมาตําร้ายพระพุทธเจ้าเห็นไหมทีนี้พอถึงเวลาพระพุทธเจ้าก็ไปประทับในวัดเจตวันที่อนาถวาินิกาถวายน่อไปประทับที่นั้นนี่เมื่อไปประทับที่นั้นเป็นยังไงทีเนี้ยเทวทัตก็ ตกกระป๋องแล้วตอนนี้ตกกระป๋องแล้วมีพระบริกาตอยู่สองสามองค์กลุ่มใจตอนนี้ป่วยกลุ่มใจไม่กลุ่มเฉยๆป่วยด้วยก็เลยบอกพระบริกาตว่าพาเราไปหาพระพุทธเจ้าทีเถิดเอา้เอาแต่เมื่อก่อนเนี่ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าจะให้ตายแล้วนี้จะไปหาพระพุทธเจ้าอีกเล่มากจริงๆบอกนั้นก็ยันเราคน ศอกมั่งเก่ามั่งพรเะเทวทัตก็โดนหน้าเขียวเลยเป็นยังไงทีนี้เอาใ่อยเตียงหามไปหามเดินไม่ไหวแล้วหามไปไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่มันใกล้ใกล้ไปโน่นตังติดเหนือนูน่นหามไปค่ำไหนนอนนั่นกันและพอไปถึงหน้าวัดเจดวันอาวางเตียงตรงนี้หน่อยเถอะอิวน้ํา ไปรูปหน้ารูปตาจะจะก้าวไปหาพระพุทธเจ้าพระภิกษุที่อยู่ในวัดเชตวันนั้นท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตมาแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าในชาตินี้พระเทวทัศตไม่มีโอกาสที่จะมาพบเราได้แล้วเทวทัศตเลยลงไปที่สา่าสามันขวบมันเปิดมัน ม, มันมันเอียงเอียงเสียงเสียงเสียงเสียงแล้วก็ลงไปลงไปลงไปลงไปมันลึกที่ตรงกลางทีนี้พอเทวทั์ไปรูปหน้ารูปตาเสร็จแล้วธรนีก็สูบสูบเทวทัศนะลงไปลงไปลงไปโอ้ไม่มีทางแล้วตายแน่ตายแน่ทำ ย, ยังไงทีนี้เราในชาตินี้ทำดีไม่ได้แล้วขอถวาย กระดูกคางนี่คางนี่มันถึงคางแล้วตอนนั้นขอกระถวายกระดูกคางนี้กับพระพุทธเจ้าหเห็นไหมคนทำชั่วแล้วก็อย่ากบมิรชั่วเราทุกคนสอนลูกสอนหลานว่าอย่ากบมิรชั่วลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าไปกบมันคนที่ไม่ดีนะ่ะให้เดินห่างห่างหน่อยเอาทีนี้มาถึง คุณอาจิตกับคุณทัศนีที่นี้ก็ต้องการที่จะทำสถานที่พักผรย่อนใจเสร็จแล้วไม่มันย่อนที่ตรงไหนเลยมันยิ่งหนักขึ้นทุกวันก่อสร้างมังอะไรมัง่งมันใหญ่โตต้องดูแลรักษาลำบากเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาขอใหป้ปักใครมาขอใหป้ปักพระมา พระม า, ก, าก็ให้พักให้พักให้พักดังนั้นแอะเสร็จแล้วเป็นอย่างไงให้คิดว่าเมื่อสร้างสถานที่นี้แล้วให้คุณอาจิตกับคุณทัศนีนั่นอติษฐานจิตเสียจุดตู้จุดเทียนอติษฐานจิตสถานที่นี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะทําเพื่อความสบายสบายแต่ว่าไอ้ความสบายทางร่างกายนี่มันไม่ใช่หลง ให้สบายทางจิต ท, ทางใจเหมือนที่เรามาเข้าคอสปัดบั ด, บดทํากันเพราะฉะนั้นในโลกนี้อธิษฐานจิตตั้งนามโอสามจบตั้งนาโมสามจบเสร็จแล้วพุทธังทรนังกัจฉามิทำมังทรนังกัจฉามิสังคังทรนังกัจฉามิตุติยัมตมัติยัมสามจบเสร็จพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ แล้วอธิษฐานว่าในประเทศไทยก็ดีในโลกนี้ก็ดีมีพระอรหันต์อยู่ที่ไหนขอให้พระอรหันต์นั่นแหละดล จ, จิตดลใจมาพักที่สวนของข้าพเจ้าเถิดเพื่อว่าจะได้มาโปรดเจ้าของสวนมั่งมาโปรดญาติโยมมั่งนี่ถูกต้องที่สุด ถ้าทำอย่างนั้นถูกต้องที่สุดและจะได้ประโยชน์มากที่สุดเอาทีนี้เออถ้าไม่มีพระอรหันต์เอาใครอะพระอนาคามีก็ได้เอาพระอนาคามีก็ได้ถ้ามีพระอนาคามีอยู่ในประเทศไทยนี้ก็จงมาที่นี้เถิดแล้วเราก็จะได้ทาบุญถวายข้าวถวายน้ําท่านอยู่สักกี่วันกี่คืนก็จุดแล้วแต่ท่าน แต่ระวังนะไม่ใช่พวกล่ามาแล้วพระอรหันนะมันหันไปหันมามากกว่าระวังให้ดีพระอระหนนันท่านละอะไรเราจะต้องรู้ผู้ที่จะเป็นพระอระหันท่านตรร้องละหลายอย่างละหลายอย่างรูปราคะคือรูปฌานอารูปราคะคืออรูปฌานหลวงพ่อไม่สามารถที่จะพูดที่ทตรงนี้ได้ เพราะฉะนั้นเวลามันจะไม่พอพระใช้เวลามากรูปราคะอรูปราคะมานะตัวกูตัวกูคือถ้าใครพระองค์ไหนบอกว่ากูนี่แหละเป็นพระอรหันตอาตมานี่แหละเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่แล้วแต่อย่างนั้นเสียงเสียงกรองมันดังขึ้นเอ ง, เองแล้วไม่ได้ใช่ไม่ได้ พระอรหันนะนะจะบอกให้โยงฝังว่าแม้ที่คิดว่ากูเป็นพระอรหันยังคิดไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีกูมันไม่มีกูแล้วใครมันจะไปเป็นนะ่ะไปเป็นยังไงมันเว้นอรหันนี่แปลว่าเว้นแปลว่เาเว้ น, นถ้ายังมีกูเป็นอรหันอยู่ก็ยังไม่ใช่นั่นแหละก็ไม่ใช่นั่นแหละจะมาอันใช้อันขวามากกว่าถ้าอย่างนั้นนะพระอรหันจะต้องหนึ่งรั รูปะรากะรูปะรากะมา n a นี่เขาเรียกว่ามา n ทีนี้มา n a เรียกว่าการถือตัวถือตัวถือตนถ้าถือตัวถือตนยังมีกูอยู่ยังมีพระธรรมดาอยู่ยังมีพระอรหันต์อยู่ยังมีอะไรอยู่ไม่ได้มันต้องไม่เป็นอะไรหมดไม่เป็นอะไรหมดนี่คือไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรเอาเก็บไว้ เพื่ออะไรเพื่อคนอื่นเป็นอะไรไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรพระอรหันต์นั่นที่ท่านอยู่ตามเขาตามป่าตามดงอะไรที่ท่านเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องมุ่งมาที่หลวงพ่อหรอกหลวงพ่อไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้มุ่งมาที่หลวงพ่อแล้วพระอรหันต์อ๋อนี่บอลพระกุณเจ้าไปรับพระเจ้าคุณ่ปไปไปไปคุณไป อย่ามายุ่งฉันท่านอยู่สบายสบายไม่ต้องมายุ่งฉันพระอาหารหันต์นั่นแหละคือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ท่านพูดอะไรตรงไปตรงมาท่านเด็ดขาดพระอาหารหันต์ั้นท่านเด็ดขาดท่านไม่พูดต่อาใจเ จ, เ จ, เ จ, เ จ, เจเ้าแจหรอกนั่นพระอาหารหันต์ท่านไม่มีตัวตนจิตของท่านไม่มีตัวตนไม่ใช่กูดังนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกทุกคนว่าให้ภาวนา ว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่ ก, ชกูเดินไม่ใชก่กูทุกทุกอย่างเปล่าวนั่งก็ไม่ใช่กูนั่งหายใจเข้าไม่ใช่กูหายใจออกไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูแล้วก็ใครเนี่ยก็ใครธรรมชาติมันก็ให้ยืมเห็นไหมธรรมชาตินี่ยมันใจดีจะตายไหมให้ยืมให้ยืมแล้วก็มาเกิดพอมาเกิดเสร็จแล้วเป็นยังไงให้กินข้าวให้กินน้ํำให้เสื้อผ้า ไอ้ที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยยารักษาโรคธรรมชาติให้หมดให้มาทำามลงทุนเทรจแล้วไม่ลงทุนเลยมาสนุกสนานกนันก็เลยตายฟรีทีนี้เกิดมาชาติหนึ่งตายฟรีนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นที่เราเกิดมันติให้เกิดมานี่แหละเพราะเรามาลงทุนไม่ลงทุนไม่ได้ไม่อย่างนั้นขาดทุน เราจะกาดทุนทีนี้ถ้าเทพมาเกิดถ้าเทพมาเกิดหลวงพ่อนะอย่าบอกให้ฟังอย่าอยากคิดกันในมากอีกไหนะโดมาชอบคิดมากที่วัดหลวงพ่อนะอยู่บนภูเขาเนื้อที่18ปไร่แล้วหลวงพ่อไปอยู่ได้ยังไง เอาอย่างนี้ก่อนก่อนที่หลวงพ่อจะเกิดนะเราความก่อนเกิดดีกว่าเนาะก่อนหลวงพ่อเกิดโยมแม่ฝวัญว่าได้ดอกบัวสองดอกโยมแม่ก็เลยมั่นใจมั่นใจว่าต้องได้ลูกฝากแฝดแน่แน่เลยแน่เลยเพราะคลอดออกมาจริงๆไม่หลวงพ่อเอียนคนเดียวไม่มีสองคน พราไม่มีสองคนทีนี้จนหลวงพ่ออายุ13าปีแล้วาะเด็กตุ้งเด็กนานี่13ปีพอ13าปีก็เด็กเมื่อก่อนมันเรียนช้าอยู่ปสาอยู่ปสามโยมพ่อไม่สบายหนักเป็นโรคไอกระเพาะทีนี้ก่อนเสียชีวิตโยมพ่อก็สั่งโยมแม่ว่าฉันตายแล้วให้ลูกคนนี้บวชเนนด้วยนะ สั่งไว้ตั้งแต่ไม่ตายโน่นนี่หลวงพ่อก็ได้มานั่งอยู่ที่ตรงนี้พระยลงพ่อสั่งแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ดืดดึงไม่ดืดดึงเลยไม่ดืดดึงเลยอีกตาอย่างนี้ทีนี้เพราะว่าตอนเล็กๆก็ใส่บาต ท, ทุกวันใส่บาต ท, ทั้งเชา้าทั้งเย็นใช่ใครอะตอนเย็นไม่ใช่ใส่พระตอนเย็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะ ไอ้พวกแขกดำน่ะแขกดำไอ้พวกแขกอินโดนีเซียแขกสีลังกาน่นมันตกค้างอยู่พาตกค้างมันก็ขอก้าวสารแล้วก็ก้าวสารเี่ถ้วยหนึ่งเนี่ยตักทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเมื่อก่อนตับาททีนี้ก่เกิดอะไรขึ้นพออายุ14ปี14ปีนี่จบปอสีแล้ว ไม่มีโอกาสที่ไดเรียนหนังสือเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เสียใจเหมือนกันเออเพื่อนก็เรียนกันท้งนั้นเราไม่ได้เรียนโยมแม่ว่าอย่างไงอย่าเรียนลูกเออดูที่มันจบมหกแล้วมันมาไถนาอยู่ทาไม่เสียภาพพจหมดเลยไอคนนั่นละ่ะเห็นไหมเสียภาพพจน์คนอื่นก็าหมดทีนี้เป็นอย่างไรหลวงพ่อก็คิดตามราษาเด็กๆ เ, เออปีนี้เราก็จะต้องบวชแล้ว จะต้องบวชเนี่ยโยงแม่ก็บอกรา อ, อีกปีนึงลูกเรา อ, อีกปีนึ่งไอ้เริ่มขึ้นสิบปีแม่ก็ยังอยากที่จะอยู่ให้อยู่อีกโอ้คิดว่าไอ้สิบสปีนี่จะมาปีนี่เลปีนี้ต้องให้สนุกทํำยังไงให้สนุกยิงนกที่ยิงนกไห้สนุกโลย ก, กริ่งลูกกสุนไปหาดินเหนียวมากริ่งกริ่งกริ่งกริ่ง ได้ครึงกระสอบพอได้กรึ่งกระสอบมีคนก็เอาอะไรพุทธทรรมนายนะเอาพุทธทรรมนายมาถึงอู้ปศ2อ0 0ัตอนนั้นมัน2 5 0 0ั4ห้นี่เก็าก็เอามาอ่านหลวงพ่อก็ได้อ่านเอาพุทธทรรมนายนี้ต่อไปเมื่อพศองพันห0จะเกิดกึ่งกัน คือภาษาเรียกว่ า, า, าศาสนาว่ากึง่งก้าวกลึงหนึ่งพอข้ากึงหนึ่งเนี่ยธรรมะจะเสื่อมกันหมดพ่อแม่แม่ไม่รู้จักนะลูกไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่มีแต่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหาอะไรกันเอาก็บอกว่าอย่างนั้นทีนี้เป็นยังไงเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเลือดเนี่ยจะเต็มแผ่นดินเลือดจะเต็มแผ่นดิน ตอนนั้นมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่มันค่อยๆเดือดร้อนขึ้นเดือดร้อนขึ้นไอหลวงพ่อพอเห็นพุทํารรนายนั้นเนี่ไม่รู้เขาโกหกหรือว่าจริงเราก็ไม่ทราบแก่หลวงพ่อก็เชื่อพอเชื่อเสร็จแล้วไอลูกกระจุนี่กริงไว้ที่ทิ้งหมดเลยไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ทําเลยทีนี้เป็นยังไงจนกระทั่งบวชอ่ะบวชยมแม่ก็บอกว่านี่ ลูกเ น, นนะตอนที่แม่ท้องนะ่ะแม่ขวัญก็ได้กินดอกบัวสองดอกทีนี้เอ๊ะดอกบัวสองดอกอะไรก็ามาคิดประปุษประตำประสงก็ไม่ครบยังขาดดอกนึ่งแล้ว อ, อะไร อ, อะไรหลวงพ่อก็ น, นั้นมาเรื่อยเลยคือมันกินใจมาเรื่อยว่าทําไว้เราแก้ไม่ได้ทําไมเราแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ทีนี้จนกระทั่งว่า หลอพ่อบวชแล้วเป็นเนนเป็นพระเป็นเนนเรียน้าคทฤษฎีอยู่เกปีพอเกปีมาอยู่กรุงเทพเห็นท่าทางไม่ค่อยดีเห็นท่าทางไม่ค่อยดี ห, าายดหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างตอนนั้นก็จะเข้ามามากรุดวิทยาเัยแล้วอย่าเลยอย่าเลยบอกตัวเองว่าอย่าเลยอย่าเลยเลาเรียนไปกินข้าวชาวบ้าน เดร็จแล้ ว, วมีความรู้ไปาหาลูกหาเมียไปนุ่งกางเกงไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกมันบอกตัวเองอย่างนันเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กยังคิดว่าครูก็บอกว่าไปอบรมเดือนเดียวภาษาอังกฤษหลวงพ่อก่ตอนนั้นก็อ่านมาเรียบร้อยแล้วไดรกเมทอดเล่มหนึ่งเล่มสองจบมาแล้วจบมาแล้วก็สบายสบายแตก่ก็จะออบรมภาษาอังกฤษหนึ่งเดือน นำ้ำยาอะไรหนึ่งเดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแตหลวงพ่อมาคิดอย่างนี้พอคิดอย่างนี้เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ า, เอาวันหนึ่งมีโยมใกล้ๆวัดที่หลวงพ่ออยู่ที่กรุงเทพเน่ะแล้วแล้วบอกมาสักพวกนี้ไปเที่ยวกับโยมนะแล้ว ย, ยมจะไปไหนโยมจะไปโน่นไปหนองปลาไหลอเขาไม่ได้ถามว่าไปทําไมเอาไปก็ไปไ ป, ไปที่รถถูรูถูกังเงินไปสมัยนะั้นมันไม่จะรื่น พอรอสองปันหร้อไปพอไปถึงเรีว่าก็าําอะไรกันเขาเอาตำแหน่งของพระนั่นแหละพระนองชายของตัน้นเป็นเจ้าคุณเสร็จแล้วก็ได้ตําแหน่งเอาตําแหน่งพระเนี่ยตำแหน่งข้างเคียงไปขายพระบ้านนอกใครอยากเป็นพระครูใครอยากเป็นพระรค ร, ร, ะรูวิในตอนพระธรรมมาตอนพระอะไรต่อพระอะไรนี่ กายหมดหลวงพว่อก็ไปตายอย่างนี้เึกดีกว่าพระผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วเราจะดีได้ยังไงไปยึดถือมากเกินไปมันโง่ของเราเองเราไปโทษพระผู้ใหญ่ทีนี้ก็กลับไปสึกกลับไปสึกเอา้าไม่ได้กลับบ้านหรอกข้า ง, างใๆใกล้ๆในตัวเมืองนั่นแหละจังหวัดพัตตานีหลวงพ่อพอมีโยมอุปต่า โยมประถากลูกก็ไม่มีที่ดินก็เยอะแยะเต็มไปหมดของพ่อไม่เอาหลวงพ่อเด็กแลไปนอนดูเพดานอย่างเนี้ยเออมันไม่ใช่ของกูนี่แล้ว เ, เราจะมาเอาของก็ได้อย่างไงมันไม่ได้ทํามาด้วยน้ําเหงื่อน้ําไคลของตัวเองเอมาเอาของนิดหนึ่งก็ไม่เอาได้ยังไงโยมก็เลย ขวาไปทำงานนั้นก็ไม่ได้หลวงพ่ไม่ชอบให้ไปอยู่สวนสวนยางก็ไม่ได้เหม็นยางหลวงพ่อไม่ชอบอีกยางมันเหม็นไหนใจไม่ออกก็ไม่เอาอีกไม่ออกอีกก็ถูดูถูกกังไว้อย่างนั้นไม่โยโต้ชีวิตนี้ไม่โยโต้ไม่โยโต้ออย่างนั้นจนกระทั่งอมีเพื่อนคนหนึ่งทํางานขายผ้าอยู่ก่อนที่จะขายผ้านะ หลวงพว่อบอกเฮ้ยทำ ไ, ไอ้คนยวนดูที่มาอยู่พัตลุงมันยังมีฐานหน้าขึ้นมาได้มันรีดผ้ามันขายน้ําแข็งบอกเออไปกายน้ําแข็งบอกนี่นี่นี่พระองค์นี่กายน้ําแข็งบอกมาแล้วนะไปกายน้ําแข็งบอกสองวันไม่ได้จักบาทหนึ่งพ อ, อเลิกแล้วจิ้มน้ําแข็งบอกเลิกแล้วเลิกแล้วทีนี้ก็เอาไปขายป้าไปเฝึกกลายป้า เพื่อขายผ้าได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งเขาให้250 250สมัยนั้นนะทองบาทหนึ่งมันหเองเงินมันแพงสมัยนั้นเขาเลยอาชีพขายผ้าพออาชีพขายผ้าแต่ว่าไม่ได้ขายเฉยๆนะเราจะบวชถึงศึกไปแล้วเราก็จะบวชอีกทีนี้ทางนี้ทางโยงอุปตากก็ต้องการที่ใ ห, หลวงพ่อมีเมีย ไปขอลูกสาวมาบอไ ม, ao, ไ, ม bracelet. ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะบวชจะบวชจะบวชไม่เอาเขาไม่ไม่ว่าอะไรหรอกเขาก็ยังเก็บที่ดินไว้ให้สองอ้องอีกที่ดินในตลาดนั่นแหละมันแพงเก็บที่ดินไว้ให้พอเก็บที่ดินไว้ให้น้องสาวลูกของหลานลูกของหลานของโยมประทางนั่นแหละมันก็เลยขายขายก็เต็มโฉนดไปหมดวันนี้หลวงปู่หลวงพี่ ฉันไปอเมริกาเอาเงินหลวงพี่ไปจ่ายหมดแล้วแสนหนึ่งเขาบอกเฮ้เธอ ไ, ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเตอร์ไ ม, ม่อยากให้เป็นหนี้เป็นศินน่ะเตอร ม, มาบวชชีสักเจวันก็เลยให้บวชชีก็กลับมาแล้วก็บวชชีเจ็วันบอกเอเอพอกันแล้วบวชชีเจ็ดวันไม่พออีกทียนี้มันยังก้างคาอยู่มันไม่สบายใจทีนี้ถ้าไปด่านไปที่พัทลุงจะเห็นแหละ ถนนสายกลางตลาดถนนสายเอกนะ่ะมันจะมีโรงหนังหลังโรงหนังนั่นแหละมันจะมีที่ดินดังเดิม่ที่ดินแถวนั้นทั้งหมดเลยเมื่อก่อนแต่ยังขายไม่หมดตรงนั้นมันยังมียังมีก็ก็สร้างโรงหนังใหม่พอสร้างโรงหนังใหม่ที่ดินมันว่างอยู่ที่ข้างหลังเขาก็ไม่มีที่จอดรถพอไม่มีที่จอดรถเขก็ขอเจ้าขอเจ้ามัดจำหนึ่งแสน พอหนึ่งแสนไ้หลานสาวเอาเงินไปตวไหอีกหนึ่งแสนเงินอะไรอีกอ่ะนี่แหละเงินหนึ่งแสนเนี่ยที่ก้าวไก่ที่ดินที่ตรงนั้นเอามาให้ท่านเอเอให้ขอเขาก็เลยเอาทำไฟเยห้าหมืแล้วก็เอาซ่อมหลังคาปรับปรุงกฏติดห้าหมื่จบจบไม่เอาบอกว่าไม่เอาไม่เอาต้องเด็ดขาดไม่เอา ไม่ต้องการทางนั้นทีนี้พอได้อ่านหนังสือกู้มือมนุษย์ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้ต้องไปแล้ ว, ออลวบอกนายอ่างนาะยอ่างอีกเจ็ดวันนะผมจะไปแล้วนะหาลูกน้องสำรองไม่ได้เลยแม่มึงจะไปไหนมโน่นจะไปบวช ท, ที่สวนโมกบ้าแล้วมึงไม่บ้า กอดูก็อนด้ยกันเสียดายถ้าแก่ไม่ตายจะก่อนนี่จะไปเยี่ยมแกทักตีหนึ่งแต่เป็นแกกินเดียเป็นแกกินเดียไอ้นี่นั่นี่ยอยู่ถวนโมกอยู่ถวนโมกก็อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่ไปถึงขอบวชท่านน่อยต้องดูก่อนดูก่อนไปเก้าคิวจะบวชนั่นสามคนอยู่กันคนละสิบปีสิบปีสิบปีแต่ว่าหลวงพ่อ น, นี่ เป็นหมาไปเรียนไปแล้วได้นักทําไปแล้วเป็นยังไงกล้องในการพูดกล้องในการพูดขายป้าขายปอนสบายเลยสบายที่นี่ท่านก็บเจ อ, อมีนาที่รับแขงให้หลวงพ่อรับแขกไอสอนโมกนั่นแหละในจิตปีนั้นไกลไปหลวงพ่อรู้จักหมดตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงผู้เล็ก พระสงฆ์องค์เจ้ารู้จักหมดรู้จักหมดรู้จักหมดทีนี้เอาถึงเวลาหลวงพ่อไปขอบวชสามครั้งครั้งที่สามท่านยังง่ายบวชหลวงพ่อก็มาคํานวณว่วาใช้เวลาเท่าไหร่สิบปีสามเดือนสิบห้าวันมันทนได้ไหมที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ทนได้ไหมแต่ต้นไม่ได้ก็ไม่มีทางหรอก หลวงพ่อทนมาแล้วหลวงพ่อไม่กลัวต้นมาแล้วทีนี้ไอ้อีกสองคนน่ยไม่ได้บวชสองคนโน้นไม่ได้บวชนี่หลวงพ่อแซงเลยทีนี้แซงเลยหลวงพ่อเขาแซงแดงทีนี้พอบวชแล้วอยู่ปีสองปีหลวงพ่อต้องไปหาสถานที่หาสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติเองไงมันเข้มขน้นวันที่โยวมว่าเข้มเข้มมาแล้วมเข้มขน้น แล้วก็จะช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนอื่นเข้มหลวงพอ่อเข้มจนเอวจะหักแนละ้วก็อะไรไปอยู่บนเขาไปอยู่วัดที่กลางเมืองแต่เสร็จแล้วก็ไปหาสถานที่ได้สถานที่มาได้ยังไงนิมิตตอนที่หลวงพ่อจะไปปักที่นั้นหลวงพ่อก็มีนิมิตไปแล้ว แต่ว่าหาไม่เจอทีนี้พอจะไปกราบลาท่านอาจารย์พุทธทาสบอกกล้าวจะไปอยู่พัทธลุงกล้าวจะไปเอายมแม่มาช่วยเอามาช่วยคืออยากจะดูแล ย, ยมแม่เล้วยมแม่มีอายุแปดสิบปีแล้วตอนนั้นกลัวว่ามันจะสายไม่ได้เดี๋ยวจะเสียใจทีหลังทีนี้ท่านออไว้ทีทีนี้ก็กราบเรียนท่านว่า กลาวไปอยู่โน้นถ้าก็ให้พระครูล่ะจะให้กล้าวทำยังไงไมันก็เอาไว้อย่างนั้นเอาไว้ก่อนนี่ก็ให้เองที่หลวงพ่อเป็นพระครูในตอนนี้ ไ, ไปขอก็ไม่ได้เสียเบีย้ยตังบาทหนึ่งนี่ตอนนี้อย่าว่าพระครูเลยให้เจ้าคุณหลวงพ่อก็ไม่เอาแล้วมีเพื่อนหลวงพ่อที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ตอนเนี้ยหลวงพ่อก็บอกว่านี่นะ อย่างง่ายนะอะไรก็ไม่ต้องง่ายไม่เอาทางนั้นไมเอาทางนั้นทํางานหน้าเดียวหน้าเดียวเลยทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ป่วยแผลธรรมะเผยแผลธรรมะเผยแผ่ธรรมะ อ, อันี้หลวงพ่อก็เลยคิดได้หรอโอ้นี่ยอมแม่นะยอมแม่ให้ดอกบัวสองดอกนี่มันแก่นี้เองแก่ไม่ถูกดอกที่หนึ่งก็คือของหลวงพ่อ หลวงพ่อต้องทำดอกบัวของตัวเองนี่ให้เป็นพุทธโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพุทธโธนะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะของเราทุกคนนี่แหละถ้าใครมีพุทธโธจิตของคนนั้นเป็นพุทธโธจิตนั้นเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานพุทธโธอยู่ในเราทุกคนไอ้ดอกบัวมันอยู่ใต้ดินเลยอยู่ใต้ดินแล้วมันจะบานได้ยังไงไม่ยอมขึ้น ได้แต่ไปอบรมอบรมอบรมก้าวข้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นกลับไปถึงบ้านก็เจ็งไม่ก่อยปฏิบัติได้สองสามวันเลิกแล้วไม่ได้ดิอย่างนั้นไม่ได้ไ้าอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นดอกบัวสองดอกของหลวงพ่อดอกที่หนึ่งคือตัวเองดอกที่สองคือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่ถึงเวลาแล้วที่หลวงพ่อจะต้องช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่คนจนไม่ใช่คนรวยแต่ต้องเอาคนรวยรวยอะไรรวยธรรมะต้องสนใจธรรมะแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมะแต่ถ้าคนรวยเงินรวยเงินอ๋อตั้งร้านอาหารที่เชียงใหม่มุมเมืองนี้ ม, มืองเหมือนมึงจำร้านจี่ร้านหน้รารไม่รวย จนจ น, นจนกนจนนั่นคือคนจนมันไม่มีอยู่เรื่อยมันพร่องอยู่เรื่อยพร่องอยู่เรื่อยพร่องอยู่เรื่อยพร่องอยู่เรื่อยน้ำในทะเลน่ะเต็มได้แต่ว่าตันหานี่ไม่เต็มอยากอยู่ตลอดเวลานั่นถ้ากนวยอย่างนั้นเขาเรียกว่านายทุนเรียกว่านายทุนทีนี้ อนาาัตตาบินิกาเศรษฐีเขาเรียกว่าเศรษฐีนั่นเขาเรียกว่าเศรษฐีเศรษฐีในสมัยนั้นมีเยอะในประเทศอินเดียเช้าขึ้นมาต้มข้าวต้มข้าวเสร็จแล้วเป็นหม้อใหญ่ๆกี่หม้อกี่หม้อก็ต้มไปตั้งหน้าบ้านออตั้งหน้าบ้านพวกขอทานในอินเดียบรรดานในโลกนี้ไม่มีที่ไหนเท่าอินเดีย กอดานก็มาเอาจานมาเอาชา ม, มาเอาภาชนะมาก็ให้ก็ล็ทรับพีตรงทัปพีก็ให้ตาหน้หาตาหน้หาตาหน้าตาเจตีนั่นเศตีอีนี้เศษตีนั่นแหละตอนนี้ก็คุณอาทิตย์กับคุณทัศนีนี่ให้รู้ตัวเองไว้ด้วยว่าตอนนี้เป็นเศรษฐีนะนี่เป็นเศษตี นี่เศรษฐีพ่อไอ้พวกนั้นละน่ะมันมาเอาเข้าวไปกินทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอ mm hmm. เกรงใจเศรษฐีแล้วก็เลยตามเศรษฐีว่าเศรษฐีมีอะไรให้พวกเราทําบ้าง อ, ะ อ, าอ่ะเรารอดไปได้ฉันมีนาอยู่ห้าร้อยไร่ข้าวกําลังที่จะสุกตอนนี้ถึงไปช่วยกันก็เลยเข้าววุ้นด้วยกันแหละทีนี้นั่นเนี่พวกทานจึงเกิดขึ้น ก้าววุ่นด้วยกันเพอก้าววุ่นด้วยกันนี่ก็ช่วยกันทําช่วยกันกินช่วยกันอะไรนั่นเศรษฐีแต่ถ้ามีแต่ดูดดูดดูดดูดมกโครก็ดูดอะไรก็ดูดดูดทางนั้นอนี่มาจากต่างประเทศนุ่นมาดูดพวกเราที่นี้เรากดก้าวไปดีๆอ้าวไปเขาดูดจะสบายๆนายทุนทางนั้นนั่นเนาะนายทุนทางนั้นนั่นคือนายทุน นายตนจนกระทั่งว่าไอ้เครื่องบินน่ะที่หลวงพ่อขึ้นมาจากงานใหญ่พอขึ้นมาถึงบนะนเครื่องบินมันก็เซิฟเซิฟน้ําพอเซิฟน้ํามันใสใน่แนวไอ้กรึ่งแก้วไอ้น้ําครึ่งแก้วทีนี้ไอ้พวกไอเ้เป๊ปซี่อะไรกระป๋องนะนะมันมันก็เข็นหลวงพ่อ ก, ก็ถามว่าแม่อันนําที่มันหวานกว่า น, นี้ไม่มีเหรอมันบอกว่ามีข้าแต่ว่าต้องเสียงเงินเออไปไ ป, ไ ป, ไป ก็ไปจันที่เชียงใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยนั่นแหละนายทูนเห็นไหมทีนี้มันก็เป็นลูกน้องเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นลูกน้องนั่นแหละมันเป็นคนงานเครื่องบินนั่นแหละมันเป็นแอนั่นแหละแต่ว่ามันขี้เหนียวพระพูดอย่างนี้มันเอออย่างนี้บนเจ้าการอยานี้บนเจ้า้ารมันกดควรที่จะดีใจหน่อยมันโง่เห็นไหมมันก็เลยแค่นั้นพวกนี้เป็นทาตจนตาย เป็นตายจนตายพวกนี้ไม่มีตางเลยเพราะมันไม่มีคำว่าง่ายแล้วมันจะไปให้ชาวบ้านได้ยังไงพระมันจะง่ายไม่ได้พระพูดอย่างนี้แล้วมันยังง่ายไม่ได้นี่เห็นไหมนี่แหละมันก็จนเรื่อยเลยพวกนี้จนยิ่งกว่าจนดอกไปจนจนจนนเจ้านี่อย่างนั้นไม่พอไม่พอกินไม่พอจ่ายมีอยู่ปีหนึ่งหลวงพ่อไปที่อ่า ฤาษีลิงดําพอไปถึงเขาไม่รับแล้วไปถึงเย็นสี่โมงไม่รับเขาไม่ให้พักอราไม่ให้พักเราก็อย่ากพักที่ไม่ใ่วัดเราก็เลยไปปักวัดกลางๆเราไปวัดไปวัดกลางๆอ้าวอะไรรักนั่งโง่โมยกันอยู่อุไม่ไหวเราสู้ไม่ได้ลู้ไม่ได้ก็เอาไปปักที่ต้าน้ําลงไปที่ต้าน้ํา อา้ามันก็ยังไม่จบอีกเลยไปพักหน้าโบสถ์ทีนี้ไปหน้าโบสไม่มีสองรูปเลยอีกรูปหนึ่งม า, าก็ก็แม่พักเหมือนกันก็เลยบอกว่ามามาเราไปด้วยกันไปด้วยกันมีก ล, กลัวไหลตรงไหนก็ได้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าสีอย่างหนึ่ง ไ, ได้ไม่มีพัญหาเสร็จแล้ววัเช้าไปบินตบาตก็ไปบิณตบาทที่นั้นแหละหน้าวัดดูสีลิองดำอะไร พระก็เดินเป็นแถวหอเราจะไปโตแถวเขาอยังไงเดี๋ยวก็เตะเออดิทีนี้ก็เาก็เดินเดินไปสองรูปเดินเดินเดนไม่มีใครใส่ไม่มีใครจะเห็นโอ้นี่ร้านอาหารนี่ก็ข้าวไปเลยถามโยมโยมมาอาหารจุกได้ยังอ่ะหลวงพ่อจะซื้อข้าวใส่บาทไม่มีใครหลวงพ่อไม่มีใครใส่หลวงพ่อ หลวงพอก็จะซื้อข้าวใส่บาทเองฉันเองอ๋อโยมนั่งอยู่สามคนท่านมาจากไหนมาจากพัทลุงอ๋อชามีของฉันก็อยู่สุราชใส่ใหญ่เลยทีนี้ใสใหญ่เลยใตรเงินใส่ทองใส่กันใหญ่เห็นไหมเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ไปฉันไปฉันเสร็จแล้วเมวื่อวานที่มาก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวทีนี้ วันนี้ก็มาอีกฉันข้าวเสร็จก็จัดการเรียบร้อยอเรียบร้อยเอากระเป๋าหลงพ่อนี่ไปตู้ดงเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนไปตู้ดงออกบาทใส่กระเป๋าอีวอนใส่กระเป๋ามุ้งใส่กระเป๋าบาทใส่กระเป๋าไม่ใหญ่ไกล ร, รู้ว่าเป็นพระตูดงเสร็จแล้วมาต้องเที่ยวจะก่อนอาไม่เที่ยวก็ไม่รู้อีกว่าวัด Uh, หลวงพ่อฤาษีล oh, oh, ิงดำเป็นยังไงมีผ right right. right so right ู้หญิงคนเด่งมาถึงโอ้แล้วท่านเดินไปเที่ยวบอเดินโอ้ขึ้นรถหนูขึ้นรถหนูเขาบอกรถเก่งมารับเลยทีนี้สบายไปเลยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าธรรมะจัดสรร์ถ้าอย่างนี้ธรรมะจัดสรรเอาทีนี้เรื่องจัดสรร์ต่างๆเรื่องจัดสรร์ต่างๆเนี่ย เทพจัดสรรพรมจัดสรรธรรมะจัดสรรธรรมะจัดสรรเอ้ธรรมะจัดสรรของหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อออกจากสวนโมกแล้วเล่รอนไปเรื่อยๆก่อนเล่รอนไปเรื่อยๆตอนนั้นแต่ที่เป็นวัดะไม่เอาไม่ต้องถวายไปอยู่ไม่ได้ที่เป็นวัดเราจะสวดมนต์เ เขาก็ว่าเอออย่าแปลเลยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ตายอย่างนั้นไอโง่ไอโง่อยู่นั่นแหละไม่เอาหลวงพ่อไม่เอาไอหลวงพ่อไปเยี่ยมพี่สาวพี่สาวคนนั้นก็ตายไปแล้วตอนนี้อยู่ริมทะเลโน่นริมทะเ ล, ะเลน้ําเค็มพออไปปักวัดปักวั ด, ป, วดปักอยู่สามคืนนอนชั้นล่างนอนชั้นล่างเห็นเดี๋ยวใครไปใครมา มันไม่สะดวกขาเลยขอสมพานว่าผมขอนอนชั้นบนได้ไหมอนอนได้เลยชั้นบนพระไม่กล้านอนชั้นบนกลัวผีจลวงพ่อพขึ้นนอนชั้นบนขึงกรดอะไรเรียโร้อยแต่แล้วก่อนอธิษฐานทีนี้อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปพบสถานที่จิจที่หนึ่งที่ที่ข้าพเจ้าจะได้ปฏิบัติเองด้วย เพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยคืนนั้นแหละได้เรื่องเลยทีนี้พอเห็นเลยเห็นที่ที่หลวงพ่ อ, อยู่ในปัจจุบันนี้นะเห็นที่ตรงนั้นอย่างนั้นตรงนี้อย่างนี้อย่างโน้นอย่างโน้นเห็นหมดนี่เขาเรียกว่าเทพนิมิตเทพนิมิตนี่คือเทพนิมิตถ้าอย่างนี้หรือว่าเป็นพรมนิมิตที่พอไปอยู่ทิงนะไปอยู่ที่นั้นเป็นยังไง พระประโยชน์สองพวกแล้วอยู่ไม่ได้อยู่กนลงอยู่ก็ล ง, อ ย, ลงอยู่ได้ยังไงน้ําก็ไม่มีตางขึ้นก็ไม่มีไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรทุกอย่างเลยขึ้นไปอยู่ทําไมไม่มีจุดมุ่งหมายเอหลวงพ่อขึ้นไปอยู่ไอ้คนนั้นคนนี้ก็ว่า อ, อล้างอีกแลระวัเนี่ยล้างอีกได้ต่อไปหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่าไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักกูต่อไปมันจะรู้จัก แก้วนี้เป็นยังไงทมทําไม่ก็มาท่านมไรกันนักหนาน่าวัดเนรถเต็มเลยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเช้าๆก็ปูวัดการจังหวัดร้องปูว่าดํานักงานที่ดินโ น, น้นนี่มาตักบาทกันน่าวัดมันพูดว่าอย่างไงพวกนี้ไอ้คนที่พูดน่ะบ้าไปแล้วตอนนี้บ้าแล้วเป็นคนบ้าไปแล้วคนที่พูดอย่างนั้นเนั่ น, น, นคือเวรกรรมของมันเอาทีนี้ที่ว่า เทพนิมิตกรมนิมิตแล้วก็เรียกว่ารำบรรดาลทำบรนดาลหลวงพ่อไปอยู่ที่นั้นก็อบอกว่ามีตวดตวดก็คือเทพนั่นแหละคือเทพนั่นแหละบางที่ก็เพราะว่าหลวงพ่อมีอามาจ้าแม่คนอิมสร้างอา마เาจ้าแม่คนนี้เปสร้างที่นั้นมีติ็ดไปสร้างสร้างสร้างสร้างสร้าง จ้างโน้นจ้างนี่จ้างนั้นจ้างจ้างที่นี้ปีหนึ่งเขาก็จะมากินเจกันสามวันสามคืนอันี้เขาก็เก้าวทรงดิเขาก็ข้าวทรงอามาจามัยคนเดียวเขก้าวทรงพอก้าวทรงเนี่ยบางทีก็ตวดเก้าวทตวดนีนคือที่อยู่ที่นั้นเนี่ยที่เป็นเทพเพระที่นั้นจะมีคนทันแล้วก็มีเทพอยู่ที่นั้น พระที่ไม่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไอนี่เอาก็ส่งเอาก็ท่งหลวงพอ่อตรวดแล้วแต่ไมหลวงพอ่อลำบากเหลือเกินมาอยู่ที่นี่มันูก่อสร้างอะไรตัวอะไรต้องแบกหินแบกสายอะไรนี่เอวจาวจากอยู่แล้วทวดว่าอ้าวแล้ไม่มาอยู่ยังไงอะ ที ad, ad. Ad er ่ตรงนี้เป็นที่ของท่านเป็นที vein, ่ของท่านท่านมาอยู่ที่ตรงนี้ไม่รู้กี่ร้อยชาติแล้วกระดูกฝังรอบปูเขาแล้วโอ้ยังงั้นบอกว่าเอยงไงเราเป็นเวรกลรมจริงๆนี้พอมาวันหนึ่งวันาศสสราบูชาก็ราคณะของอามาจะไม่กินนั่นแหละ เราก็จะมาไหว้พระมาอะไรกันพรมาณถึงวายเตียนภาษาถวายเตียนภาษาเสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าเอนั่งรมาธิกันหน่อยนั่งรมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วเป็นยังไงตั้ดน่มากกว่าสิบมากกว่าสิบคนที่ส่งแตก็ไม่ได้จงรักตอนนั้นมากกวิบบอให้บอกหลวงพ่อว่าตู้ดนี่แหละ ร้อยปีแล้วร้อยปีนี้แหละเห็นไหมไอ้บอกอย่างนั้นทีนี้ไม่ใช่คนเดียวเลยมีอีกคนนึงอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาวน้องสาวก็เป็นลูกของเจ้าเมืองเขาเรียกว่าเจ้าแม่ปุปปาเจ้าแม่ปุปปานั้นถ้ามาน่ยแบกลิ่นหอมเหม็นไนุ่งชุดขาวสวยเป็นคนสวยมากพอหลงพอบอว่าอาเป็น น้องสาวหลวงพ่อจริงๆนะก็ให้หลวงพ่อเห็นดิพวก็ไมาเห็นตรงจุดว่าสิ้นสีตองอที่ตองแกงแล้วบ้าสบายสีตองอ่อนผมยาวผิวขาวเออทีนี้แกก็มาข้าวตรงอีกันข้าวรงข้าวตรงมีคนนั่งฟังดูสี่ห้าคนอ่างนั้นวนนี้าต้านทั้งหลายนะเวลาพระพี่ฉัน พูดอะไรผิดพลาดอย่าถือโทษถ้าถือโทษจะทำอะไรมาทำกับเจ้าแม่ปุกผานี่นักเลงนะนักเลงเหมือนกันน้องสาวหลวงพีหลวงพ่อเนี่ยนักเลงเหมือนกันแล้วไม่มีใครกล้าทาอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรกลงไปกลงมากลงไปกลงมาจะ <c oughs> ไปอ้มอมู่ทำไมอ่ะอะไรผิดก็บอกว่าผิดอะไรถูกก็บอกว่าถูกอันนั้น หลวงพ่อเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยชาติแล้วที่มาคำนวณดูออกนี่แหละจิตวิญญาณหลวงพ่อแล้ว ใ, ใครเอาไปใส่ในท้องโยกแม่ก็เทพพวกนี้แหละคิดได้เลยเหมือนกซื่อตัวไว้แล้วแล้วมันนั่งรอที่สถานีนี้แต่ถ้าก็มาเจอเจอเป็นยังไงเพราะเขาต้องการหลวงพ่อ แม้แต่เทพก็ ย, ยังต้องการหลวงพ่อแต่มนุษย์โง่ๆเราก็ไม่ต้องการหรอกไม่ต้องการหลวงพ่อหรอกแต่คนฉลาดต้องการเมื่อวานที่พูดที่มอชอนสบายใจมากเพราะว่ารู้กันเข้าใจกันสบายใจกันให้ถ่ายลูกมันทุกก้าอย่างเลยเหมือนกับไปเมืองจีนเลย ไปเมืองจีนไปยี่สิบกว่าคนนมีกล้องถ่ายรูปมันทุกคนเปร๊ะเปรปร๊ะเ ป, ปร๊ะหลวงพอ่อตาแสบหมดมีแต่กล้องกล้องกล้องวันก็ไปประเทศพม่าเนอะประเทศพม่าไม่ใช่กล้องเจดีเจดีเจดีมีแต่เจดีทีนี้ก็ข้าร้านอาหารหลวงพอ่อจะเอาอะไรเอาต้มยำเจดีก็แล้วกันมีแต่เจดีประเทศนั้น เจดีเล็กเจดีใหญ่มีแต่เจดีทั้งนั้นนั่นก็แปลกแปลก็ดีมันกันแต่เขาศรัทธาดีเขาเป็นชาวพุทธที่แท้แต่เขายังเข้าไม่ค่อยถึงธรรมะนี่ดังนั้นในเรื่องของเทพในเรื่องของเทพในเรื่องของกรรมบันดาลเรื่องของเทพเรื่องของพรมแล้เรื่องของธรรมธรรมบันดาล น, นี่แหละธรรมบันดาล น, นี้ ถ้าเราปฏิบัติทำทำก็บรรดานในเราทำจะบรรดาใ้เราแต่เราต้องปฏิบัติจริงนี่ถามดินี่ผู้ชายที่มากับหลวงพอ่อปริมปริมแล้วน้ำจะท่ว ม, ลมแล้วกรุงเทพพลวงพ่อถามไปทุกวัน ท, ท่วมไปยังท่วมไปยังอตัวไม่ตั้อะมันอย่าท่วมใจก็แล้วกันไม่ท่วมน้ำธรรมดาก็ไม่ท่วม ได้จะไปต่วมใจได้ยังไงเราไม่ต้องไปทุกหรอกไม่ต้องไปเป็นทุกขท่วมกว่าช่างมันนั่งดูน้ำเอาแต่เราเมื่อก่อนตอนเด็กๆน้ําท่วมดีใจพ่อเขาฟันต้นกล้วยสี่ต้นอามาเสียบเสียบเสียบเสียบตำเปร่เล่นกันสบายน้ําท่วมเมื่อก่อนเราไม่ได้กลัวกันแต่เดี๋ยวนี้ก็กลัวน้ําต่วมกลัวน้ําท่วมเพราะอะไรน้ําไม่เคยท่วมแล้ไกลทําให้ท่วม ก็พวกเราเนะี่ยทำให้ท่วมเองเพราะอะไรก็ประมิจฉาทิฏฐิจิตที่มีอวิชชานะจิตที่มีอวิชชามันก็เลยทำอะไรทำอะไรเผาโลกท้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้มีแต่เผาโลกทางนั้นทำลายโรคท้งนั้นเลยเดี๋ยวทีนี้มันโดนแลยทีนี้โดนลคือทำลายธรรมชาติพอาไปทาลายธรรมชาติมันก็โดนนีถ้าใครทำดีละ่ะ ใครทําดีไม่โดดอย่างที่เขามีหนังสือบอกมาว่าผู้ที่ได้อะไรได้ไอ้ปัญญาเนะ่ยเขาก็เห็นไปว่าต่อไปนี้ก็ต่อไปนี้โลกนี้จะเดือดร้อนมากกว่านี้ไปทุกปีทุกปีทุกปีไม่เฉพาะในประเทศไทยไม่เฉพาะประเทศไทยมีน้ําท่วม มีฟ้าผ่ามีสึนามิภูเขาไยระเบิดเราอยากคิดว่าเราอยู่เชียงใหม่ไม่เป็นไรมีภูเขาคไยละวามก็ไหลลงมาทางนี้ด้ก็ต้องระวังภูเขาคไยระเบิดมันมีทางนั้นเลยมีทางนั้นนี้คนกรุงเทพคิดว่าเออว่าอยู่เชียงใหม่ดีกว่าพออยู่ใกล้ๆภูเขาภูเขาคไยระเบิดอีกหนีเสือ ป่าจระเขไปโดนจระเขที่นี่อยู่ตรงไหนก็อยู่มานแต่ต้องปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมเลยธรรมะนั่นแหละจะบรรดาลธรรมจะบรรดาลเองบรรดาลเองแม้จะเรื่องเงินเรื่องทองนี่ธรรมะจะบรรดาลหมดบรรดาลหมดเรก็ไม่ไม่คิดเลยกีจเจ็ดคิดเลยเรื่องนี้เอา ว, วันนั้นต้องเสียเงินห้าพันห้าพันเป็นอยังไง เดี๋ยวคนเดียวคนวันนี้ต้องเสียเงินห้าพันรึป์เดี๋ยวเดียวเท่านั้นไอ้คนมาอ้าวเดยวมาทําไมมาลูกชายก็ ล, ลูกชายเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อเป็นนายปันตัวตํารวจเขาอยู่ที่จุมพรลูกชายฝากเงินมาตวายหลวงพอ่ 5, อห้าพันมาแล้วดูสิมันมาแล้วคือมันจะจดเชย อ, อยู่อย่างนี้ อยู่อย่างนี้เรื่อยๆอยู่อย่างนี้เรื่อยๆจนไม่อยากคิดแล้วตอนนั้นใกล้จะถึงวันเกิดแล้วทีนี้ก็มาบรรยายที่ศูนย์สองที่กรุงเทพบรรยายที่ศ2นสองตอนกลางคืนตอนพากคำ่ำภาคยามืดมาถึงภักบ้านโยมพักบ้านโย ม, โยมแต่โยมก็ไม่ได้โยมของคุณประเจรนแหละบ้านคุณประเจรคุณประเจรก็อยู่มั่งไม่อยู่มั่ง หลวงพ่อก็มาพักกระไดระบายบ้านนั้นทีนี้พวกลูกศิษย์ก็ไปนั่งรอหลวงพ่อกันอยู่ลูกศิษย์คนหนึง่งถามหลวงพ่อแล้วไอ้การเรื่องช่วยหายใจนั้นการดีเท่าไหร่หลวงพ่อบอกว่ า, า, าการไวมากต่อหมื่นควักออมาอีกหกหมื่นพอพอทีนี้พอกั้มกัคนโน้นบางคนนี้บางคนนั้นมาธุรกิจนับดูดิเท่าไหร่เนี่ยแสนหนึ่งหลวงพ่อ แสนหนึ่งพอดีเลยมันมาอย่างไงมันแสนหนึ่งพอดียังไม่ทันได้ไปบรรยายทำเลยได้แล้วแสนหนึ่งได้แล้วก็บอกไปที่ศูนย์สองก็ไปที่ศูนสอ ง, อองอก็บรรยายบรรยายบรรยายไปตอนปากค่ําตอนปากเชา้าแสนกว่าก็ไปอีกเลยมันมาอย่างไงมากเหลือเกินนี่เห็นไหมนี่เรียกว่าทำบรรยยันดาลแต่เราต้องปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติน อะไรมันจะบรรดาลผีบรรดาลนรกบรนดาลนะรนลนะุลกายบันดาลเนี่ยมันทําเสียหายไปหมดแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมธรรมจะบรรดาลบรรดาลในเราหมดเมื่อก่อนจลงพ่อมากรุงเทพชัวร์ที่จีพีโตร์ตะวันตกตัวทูปฏิปันโนจนลงจากวัดพูดฆ่าเครื่องก็ไม่ต้องเสียลงมาตอนนั้นยังไม่มีสนามบินทวนนะุวรรภูมิ ไม่ต้องเสียเงินจักบาทมากรุงเทพนี่ น, นี่เดี๋ยวนี้อย่าพูดเลยว่าเสียไม่ต้องเสียหรอกมาเชียงใหม่ใครจะเสียก็คนเชียงใหม่เจอเองเหมอรุนยาโนดเอานิมนก็เาก็เสียทีทนี้นิมนแล้วมาพูดอย่างนี้ใครไม่ถวายไม่ถวายก็อย่าถวายทิก็มีแล้วตัวกลับมีแล้วเรียบร้อยขออย่างเดียวให้ปฏิบัติจริงก็แล้วกัน เราปฏิบัติจริงหลวงพ่อช่วยอยากคิดว่าเออเราไม่รวยเงั้นหมอดุละยาหมอดุละยาไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยพระไม่รู้กี่รูปไปพักอยู่ที่บ้านนอรูปนั้นรูปนี้บริการเงินไม่ทันแต่เรากับหลวงพ่อไม่ต้องบริการหลวงพ่อให้ยมดำพาไปหลวงพ่อจะจันที่ตรงไหนก็แวะที่ตรงนั้นแหละแวะแล้วก็ จะฉันที่ตรงไหนก็ได้หลวงพ่อไม่ใจพระเจ้าคุณหลวงพ่อไม่เจ้ายศเจ้าอย่างเอาจรนร่อ ม, มให้ฉันหลวงพ่อก็ไม่ฉันหลวงพ่อไม่เอาไอ้จอนร่อมนะไอ้จอนตักแกงนี่แหละจอนร่อมมันข้าวไปลึกพอข้าไปลึกเลยมันไปโดนวันที่หมอทํากับสแตนเลสแล้วมันช็อตทีนี้เป็นอย่างง่อยอะหลวงพ่อเลยไม่ฉันเนี่ยโยมคิดว่ากลิ้งเหลือเกินจอนร่อมไม่ฉันนะใส่ก็ไปยาวทีนี้ เราไปโดนฝวัญพอโดนฝวันในสเตนเลสอะไรมันชอ็อตไม่ได้เลยไม่ได้พอเนี่ยนี้ธรรมดาธรรมดาควาธรรมดาที่สุดที่สุดไม่เอาเจ้ายชไม่เอาเจ้าอย่างไม่เอาอะไรตังนั้นสบายสบายอยู่ในธรรมไว้ัยก็พอแล้วเพราะฉะนั้นในคืนนี้ไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมาก ก็มีแต่เรื่องกรรมบันดาลเรื่องเทพบันดาลเรื่องพรหมบันดาลต่อไปเมื่อเราปฏิบัติธรรมธรรมะนี่แหละจะบันดาลให้เราธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติอันนี้กยว่ากันตอนเช้ามืดจากนั้นตอนนี้อาตอมาขอหยุดโอวาแค่นี้ก่อนขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่ญาติโยมจงทุกๆท่ททานเถิด It's uh n -huh.